มาจากที่ไหนกันบ้างมาส่งตัวที่อ๋อ ม, <า>มาครั้งแรกครั้งแรกคอ๋อไปได้ข่าวสารจากที่ไหนข่าวทติดตามของเจ๊บุ๊คพระอาจารย์อ๋ออะไอยากมาากรือ่อยากจะถามอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ใชพระอาจารย์ค่อ๋อติดตามแล้วได้ ปฏิบัติบ้บางรือเปล่าก็สำคัญที่การปฏิบัตินะ่อะ <c oughs> ไม่มีใครอยากจะถามอะไรเลยนะ <c oughs> ไม่มีก็จะพูด <c oughs> วันนี้เป็นวันพระวันที่เป็นวัน ลงปฏิโมกของพระด้วยพระนี่ต้องลงฟังการสวดพระปฏิโมกพระปฏิโมกก็คือศีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้อของพระที่ต้องมีการทบทวนอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมจะได้รู้ว่าจะต้องรักษาศีลอย่างไรข้อไหนบ้าง ถ้าไม่มีการทบทวนความจำก็จะอาจจะลืมไปหรือว่าผู้ที่มาใหม่อาจจะไม่รู้เพราะมีการมีผู้มาใหม่อยู่เรื่อยๆมารับการศึกษาอบรมมาบวชกันเป็นพระนี้ก็ต้องมีศีลอยาโยมคารบพระ เพราะว่าพระมีศีลมากกว่าญาติโยมญาติโยมศีล5นี้ยังรักษาไม่หวาดไม่ไหวพระนี้ต้องรักษาถึง227ข้อด้วยกันความสูงต่ำของคนเราก็อยู่ที่การมีศีลหรือไม่มีศีลมีมากมีน้อย ผู้ที่มีศีลมากกว่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าทงารทมท่า น, า น, านวัดกันอย่างนี้ไม่ได้วัดตามวันเกิดทางลูกเราจะวัดกันตามวันเกิดใายเกิดก่อนก็เป็นพี่ใครเกิดหลังก็เป็นน้องคนที่ให้กาเนิดก็เป็นพ่อเป็นแม่คนที่กาเนิดก็เป็นลูก ลูกก็ต้องเขารบพ่อแม่กราบไหว้พ่อแม่แต่พอลูกมาบวชเป็นพระพ่อแม่กลับต้องมากราบลูกแทนอันนี้ก็ทางธรรมเป็นอย่างนั้นลูกบางทีก็ไม่เข้าใจมาบวชแล้วเห็นพ่อแม่กราบก็เกงใจเพราะเคยกราบพ่อกราบแม่ก็เลยกราบพ่อกราบแม่อีกเป็นพระไปกราบพ่อกราบแม่ก็ ไม่ถูกเพราะว่าเวลาเป็นพระนี่ถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าผู้ที่สูงกว่าไม่กราบผู้ที่น้อยกว่าผู้ที่ต่ำกว่าพ่อแม่ไม่กราบลูกพี่ไม่กราบน้องน้องต้องกราบพี่ลูกต้องกราบพ่อแม่ผู้ที่มีศีลน้อยกว่าเช่นคารวะญาติียมก็ต้องกราบผู้ที่มีศีลมากกว่า แม้แต่ญาติโยมด้วยกันเองผู้ที่มีศีลห้ากับผู้ที่มีศีลแปดก็ถือว่ามีความสูงต่ำไม่เท่ากันผู้ที่ถือศีลแปดนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าผู้ที่ถือศีลห้าพู้แมชีอุบาสิกานี้เป็นผู้ที่ถือศีลแปดเราก็ให้ความเคารพกับท่านในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ ถือศีลห้าหรือน้อยกว่าศีลห้าบางทีไม่ถือเลยแต่มาถือก็เฉพาะวันพระวันพระบางทีสมัยนี้ก็ไม่ถือกันสมัยนี้เขายุกมือถือกันตอนแล้วไม่ถืออะไรเขาถือมือถือเป็นหลักต้องการอะไรก็กดในมือถือมือถือเลยกลายเป็นอของวิเศษไป แต่วิเศษทางวัถตถุไม่ใช่วิเศษทางธรรมวัตถุนี้ดับความทุกข์ใจเราไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้จะมีวัตถุมากน้อยเพียงไรก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์อยู่มันเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องทุกข์เป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ต้องทุกข์ แต่ถ้ามีธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์จะไม่ทุกข์ธรรมตึงเหนือโลก<ม>เหนือาราภรสสารเสริญเหนือความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ<ม>้นกายพวกเราเกิดมาเราเกิดมาด้วยความหลงความหลงจึงหลอกให้พวกเราไปหาสิ่งที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจเราได้ คนที่เกิดมาเนี่ยถูกความหลงหลอกให้หาเงินหาทองกันหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายหาตำแหน่งหายศกันหาความสรรเสริญเยือนยอกันแต่ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามมันไม่สามารถดับความทุกใจได้เดี๋ยวก็มีความทุกข์เพิขึ้นมาให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะความทุกข์นี้มัน เป็นสิ่งที่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถไม่สามารถกำจัดมันได้สิ่งที่จะกำจัดมันได้ก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าและตัดสรุขึ้นมาและนำเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราพวกเราจึงถือว่ามีโชคมีวาสนา ที่ได้มาพบกับรพระพุทธศาสนาจะได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีไม่ได้พบก็ได้พบกับพระธรรมคาสอนหรือพบกับพระอริยสงสาว ก, ก็ถือว่าได้พบพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะท่านทั้งสามนี้เป็นตัวแทนกันได้เพราะท่านมีธรรมที่จะมาสอนพวกเรา ให้พวกเรามีเครื่องมือดับความทุกข์ใจนี่อยู่ที่พวกเราว่าเราจะสนใจเราจะมีความศรัทธามากน้อยเพียงไรเรามีความปรารถนาที่อยากจะดับความทุกข์ในใจของเรามากน้อยเพียงไรถ้าเรามีความปรารถนาและเราเชื่อเราก็จะศึกษาอย่าง จริงจังตั้งใจศึกษาหาความรู้ว่าทำยังไงจะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาใครเข้าจากเราไปไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าขอเงินทองไปไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาใครเขาพูดไม่ดีด่าเราหรือทำอะไรกับเราต่างๆนานานะ ความทุกข์เหล่านี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะช่วยดับให้เราได้แต่เงินทองที่เรามีอยู่นี้ดับไม่ได้ดังนั้นเราจรึงต้องรู้จักหน้าที่ของเงินทองหน้าที่ของเงินทองก็มีอยู่คือมีไว้ดูแลรักษาร่างกายของเรานั้นเองร่างกายเราต้องอยู่ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่ม มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคการทำหากินหาเงินหาทองนี้ก็เพื่อที่จะหาปัจจัยสีนี้เพื่อจะได้รักษาร่างกายของเราให้อยู่อย่างปกติสุขเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาหาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งดงนั้นถ้าเราจะหาเงินหาทองก็ หาให้กับร่างกายก็พออย่าไปหาให้กับตันหากิเลสความอยากความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่อมอยากรวยอยากมีหน้ามีตาแล้วก็ความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆเป็นไปตางความที่ไม่ต้องการเช่นความอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความอยากเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นมาจะทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมา ท, ทันทีเราต้องมาเอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามาทำลายมันการหาเงินหาทองจึงไม่ควรจะเสียเวลาหามากจนเกินไป <c oughs> เพราะว่าหามาแล้วมันมีมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจ แต่กับจะเป็นภาระกับจิตใจและอาจจะเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจถ้าเราใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆดับความทุกข์ต่างๆเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีเงินทองเงินทองขาดมือเราจะไม่สามารถซื้อความสุขต่างๆได้ เราจะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็ดับไม่ได้อย่างแท้จริงเพียงแต่กบมันไว้เท่านั้นเองเช่นเวลาเราทุกข์ใจเราก็เอาเงินไปซื้อขนมไปเที่ยวไปทำอะไรให้เพลิดเพลินให้ลืมเรื่องของความทุกข์ใจแต่พอเรากลับมาบ้านกลับมาเจอความเรื่องปัญหาเดิม ความทุกข์ใจก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมดันั้นการใช้เงินทองนี้เป็นเพียงแต่การหนีปัญหาชั่วคราวเวลามีปัญหาทะเลาะกับแฟนที่บ้านก็ออกไปหาเพื่อนไปเที่ยวกันไปทําอะไรกันเพื่อให้ลืมปัญหาที่บ้านไปชั่วคราวแต่พอกลับมาที่บ้านก็ต้องเจอปัญหาเดิมอย่านี้ดังนั้นการหาเงินหาทองต้อง ระมัดระวังอย่าไปหามากจนเกินความจําเป็นมีไว้เพื่อหาปัจจัยสเท่านั้นเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพื่อให้ร่างกายนี้มาศึกษาพระธรรมคําสอนมาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนถ้าเรามัวแต่หาเงินหาทองทั้งเพื่อร่างกายและเพื่อความอยากต่างๆเราจะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษา เราจะไม่มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ผู้ที่มีเวลาผู้ที่ได้มีเวลาศึกษาและปฏิบัติกันเต็มที่ก็พวกนักบวชนี่คนที่มาบวชเป็นพระกันนี้เป้าหมายก็คือมาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคําสอนถ้าปฏิบัติได้จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจ ที่เกิดขึ้นได้และที่ยังไม่เกิดให้มันหมดไปได้ต้องศึกษาต้องมีเวลาสำหรับญาติโยมนี้มีเฉพาะวันพระหรือวันหยุดทำงานซึ่งบางทีก็ไม่ได้มาวัดเสียได้ซ้ำไปหรือมาก็มาเดี๋ยวเดียวบางท่านมาเพียงขอได้ใส่สาบาตรเสร็จแล้วก็ไป ไม่รอฟังเทศฟังธรรมไม่อยู่ปฏิบัติบางท่านก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนมาอยู่วัดมาถืออุโบสถศีลมาทำบุญตอนเช้าใส่บาทตอนกลางวันก็อยู่ที่ในโบสวาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมตอนค่มตอนคืนก็ฝึกนั่งสมาธิจนกว่าจะถึงเวลาพัก ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ว่าพระสวดมนต์นั่งสมาธิจนถึงเวลาสว่างจึงค่อยกลับไปบ้านนี่คืออุบาสกอุบาสิกาที่เข้าวัดที่มีเวลาเข้าวัดกันหรือว่ามีศรัทธาที่จะปฏิบัติและศึกษาถ้าไม่เข้าวัดมันอยู่ที่บ้านมันจะไม่มีการศึกษามันจะไม่มีการปฏิบัติ เพราะเวลาคนอยู่ในบ้านส่วนใหญ่ก็จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันหาความสุขทางการรับประทานการดูการฟังการดื่มการเล่นกันการร่วมหลับนอนกันความสุขเหล่านี้เป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาได้เสพก็มีความสุข ่พอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปต้องเสกใหม่แล้วถ้าไม่ได้เสกก็จะทุกเวลาไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกิือกายเชนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวลาแก่ชราก็จะทุกข์ใจไม่สามารถหาความสุขที่เคยหาได้ แต่ถ้ามาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของทธปุจจ ա วพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราพวกเราหาความสุขอีกแบบหนึ่งหาความสุขทางใจหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมเพื่อทําใจให้สงบ <c oughs> เวลาใจสงบแล้วจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะถ้าเราสามารถสร้างความสุขแบบนี้ขึ้นมาได้เราก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เรื่อยๆไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับความสุขทางร่างกายมีปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องมีต้องมีเงินทองต้องมีร่างกายแล้วก็ต้องมีของที่เราต้องการจะซื้อ ถึงจะมีความสุขได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ดังนั้น <c oughs> ความสุขที่เราใช้เงินใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปพวกเรากำลังหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราถูกความหลงหลอกให้เรามอง ความสุขทางร่างกายเพียงครึ่งเดียวมองแต่เวลาที่ได้ได้เสพได้สัมผัสแต่ไม่ได้มองถึงเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสแต่ความติดอยู่ในรถของมันนี้ทำให้ทุกทรมานใจเพราะสิ่งต่างๆเช่นเงินทองหรือดีก็ดีร่างกายเราก็ดีของที่เราซื้อมาก็ดี มันก็เป็นของที่ <c oughs> ไม่ถาวรเป็นของที่มีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงเวลามันเสื่อมเวลามันเปลี่ยนแปลงไปหรือเวลามันดับไปมันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้นี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันความทุกข์ที่อยู่ในลาบยศสรรเสริญ ทุกข์ตีในสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ถาวรอั น, นิจจังไม่ถาวรอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ไม่อยู่กับเราไปตลอดวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งก็อาจจะจากเราไปได้หรือเราอาจจะจากมันไปได้ เพาเกิดการพัดพาจากกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะถอยออกมาเหมือนกับเราเห็นยาเสพติดทำไมเราไม่เสพยาเสพติดกันก็เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนะ มันสุขตอนต้นเวลาได้เสพแต่เวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพนี่มันทุกข์หรือถ้าเสพมากๆมันก็ตายยาพวกนี้มีโทษต่อร่างกายด้วยเหมือนกับสุราเหมือนกับบุหรี่ของเหล่านี้ให้ความสุขเดียวๆแต่ให้โทษทั้งทางใจและทางร่างกายสุบุหรี่ก็เจ็บไข้ได้ป่วย ก, ก็เป็นโรคมะเร็งในปอดเดือมชุาก็เป็นโรคมะเร็งต่างๆเป็นโรคตับโรคไตแล้วก็จะเสียอายุไปก่อนวัยอันควรถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่าว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆยิ่งเติมมากก็ยิ่งเป็น ทุกกับร่างกายมากเป็นโทษกับร่างกายมากยิ่งดื่มมากอายุก็จะยิ่งสั้นลงไปยิ่งสูบมากยิ่งเสพมากมันก็จะยิ่งอ า, อายุก็จะสั้นมากขึ้นไปนเรื่อยๆนี่คือของที่เรียกว่าเป็นของรุนแรงยาเสพติดชนิดรุนแรงชนิดที่ไม่รุนแรงก็เป็นยาเสพติดเหมือนกันแต่โทษมันอาจจะน้อยกว่ากันแ่ เช่นการติดการกินการอะไรมากเกินไปนี่กินมากกว่าความต้องการของร่างกายกินต่างความอยากดื่มก็ตามความอยากดื่มไปมากๆร่างกายก็น้ำหนักเกินน้าตาลเกินไขมันเกินก็เดือดร้อนอทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาในที่สุดก็ต้องหยุด้ดวยชะลอ ถ้าไม่หยุดหรือไม่ชะลอก็ตายเป็นเบาหวานอย่างนี้น้ำตาลขึ้นหมอบอกว่าต้องลดน้ำตาลกินของหวานไม่ได้ถ้ากินแล้วตายก็ทุกข์แล้วเพราะเคยกินตามตามใจอยากตอนนี้กินไม่ได้ใช่ไล้วก็ต้องเลือกเอาระวางกินกับตายจะอาอะไรบางคนก็ยอมตาย เพราะว่ามันทนไม่ไหวนี่แหละคือความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาหากเราหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเราหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้กับจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนาน ดูหลวงปู่หลวงตาที่ท่านปฏิบัติธรรมกันนั่งสมาธิกันร่างกายท่านไม่ค่อยเจ็บไายได้ป่วยท่านไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลเหมือนเราอายุก็ยาวนานบางทีร้อยปีร้อยกว่าปีกันเนี่ยครับเพราะท่านหาความสุขทางใจไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปนะนู่นมานี่บางคนต้องบินไปรอบโลกหาความสุขกัน แล้วกลับมาถึงบ้านจะเป็นยังงก็เหมือนเดิมความสุขที่ได้มาหายไปหมดเหลือแต่ความทรงจําอยู่ใน iPad มานั่งเปิดดู <c oughs> <c oughs> เปิดดูแล้วเกิดความอยากจะกลับไปอีก <c oughs> ก็ต้องดิ้นหาเงินเพื่อจะได้ไปอีก <c oughs> ไปกี่รอบก็แบบเดิมกลับมาก็หายไปหมด <c oughs> จนกว่าจะไปไม่ไหวก็ต้องอยู่บ้านสองตายาย ปล่อยให้ลูกให้หลานเขาไปเที่ยวกันตายายไปไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้นี้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวรอบโลกเราก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องถอไปรอบโลกไม่ต้องเสียเงินเสียทองค่าใช้จ่ายตา่างๆไปไม่ใช่จะสนุกนะที่ไหนอยู่ไม่สู้บ้านเราไม่ได้หรอก ไปกินอาหารของเขากินไม่ลงอีกนี่แหละคือสิ่งที่ความแตกต่างระหว่างความสุขของพระพุทธเจ้ากับความสุขของพวกเราถ้าพวกเราเห็นโทษของความสุขที่พวกเราหากันอยู่เห็นว่ามันสักวันหนึ่งจะต้องมีจุดวันหมดอย่างที่คําพูดก็ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลง ความสุขทางโลกก็เป็นเหมือนงานเลี้ยงเลี้ยงกันไปฉลองกันไปเลี้ยงกันฉลองกันมากน้อยเดี๋ยวก็ต้องก็ต้องมีวันสิ้นสุดนแต่ความสุขทางใจนี้ไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายตายไปร่างกายแก่ไปเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขนี้ก็ไม่ได้หมดไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายของร่างกายไม่มีร่างกายความสุขนี้ก็ยังอยู่ เพราะมันอยู่กับใจแล้วก็ใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายเพียงว่าตอนนี้ใจมาติดอยู่กับร่างกายก็เลยทำให้คิดว่าใจเป็นร่างกายไปเพราะเราไม่เคยเห็นใจกันเห็นแต่ร่างกายเวลาส่องกระจกก็เห็นแต่ร่างกายแล้วก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเพราะเราใช้ร่างกายนี้ให้พูดให้ทำอะไร เราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ความจริงเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายพูดร่างกายทําเราเป็นเหมือนคนเชิดร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นหุ่นที่ถูกเชิดแต่คนเชิดกลับไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นหุ่นไปกับหุ่นที่ที่ร่างที่เชิดอยู่นี้พอหุ่นเป็นอะไรก็ทุกไปกับมัน ทั้งทงที่ไม่ได้เป็นอะไรต่ัวมันเวลาร่างกายแก่ใจก็ไม่ได้แก่ตาร่างกายเวลาร่างกายเจ็บใจก็ไม่ได้เจ็บเวลาร่างกายตายใจก็ไม่ได้ตายแต่เราไม่รู้เพราะไม่มีใครรู้พ่อแม่ก็ไม่รู้เกิดมาก็บอกว่านี่แหละเป็นตัวเราของเราเราก็เชื่อเราก็พยายามดูแลรักษามันอย่างสุดเวียง รักษาไงก็รักษาไม่ได้อยู่ดีห้ามยังไงแม่มันแก่มันก็แก่อยู่ดีห้ามไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บอยู่ดีห้ามไม่ให้มันตายมันก็ตายอยู่ดีอันนี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจา้าไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกพวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะพ้นจากความทุกข์อันนี้ได้แล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ใช่ว่าจะหมด ก็ยังกลับมาหาร่างกายใหม่เนี่ยเราได้ร่างกายอันนี้เป็นร่างกายที่กี่กี่แสนล้านล่างแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่ยอยๆพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเยอะก็จะไปหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่บางทีก็ได้ร่างกายของสี่เท้าแทนถ้าไม่มีบุญมีบาป บาป ก, ก็จะพาให้ไปหาร่างกายของพวกสี่เท้าหรือพวกมดมแมลงอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็มีใจเหมือนเราแต่เขาไปทําบาปเขาเลยต้องไปได้ร่างกายของพวกสี่เท้าพวกเดรัจฉานจนกว่าบาปที่ไปทํามานี้มันถูกมันหมดไปึงจะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ แล้วมันก็จะวนไปเวียนมาอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนได้พบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเรา <c oughs> หยุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันถ้าเราหยุดได้ใจของเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่พะเรามีความสุขในใจเรา มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายแล้วก็ไม่มีความทุกข์จากร่างกายใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายใจก็จะไม่มีวันทุกข์ถ้ามีเพียงแต่ใจอยู่ตามลำพัอันนี้คือใจของพระพุทธเจ้าใจของผู้ที่ไม่หลงแล้วดูแล้วว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความอยาก อยากใช้ร่างกายหาความสุขแล้วพอได้ร่างกายมาก็พยายามหาความสุขต่างๆเวลาหาได้ก็หาได้ก็ดีใจสุขใจไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาใหม่เพราะอยากความใหญ่ความอยากใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความอยากไม่มีวันหมดจากการทำตามความอยากยิ่งอยาก มันก็ยิ่งต่ออายุยิ่งทำตามความอยากมันก็จะยิ่งต่ออายุให้ความอยากมงมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงคนพรวิถีที่จะทำลายความอยากก็คือไม่ทำตามความอยากเช่นคนที่สู่ผลึเนี้เวลาอยากจะสูบ่บลรกก็อยากให้สู่ถ้าไม่สู่เดี๋ยวครั้งต่อไปความอยากมันก็จะเบาลงไปครั้งต่อไปก็เวลาอยากก็ไม่สู่เลย พอฝืนไปไม ก, กี่ครั้งอเดี๋ยวความอยากก็หมดไปเอหายอยากความอยากทุกอย่างที่เราติดอยู่เนี่ยเราสามารถเลิกได้หยุดได้แต่เราต้องมีกําลังต้องมีความสุขทดแทนถ้าเราไม่มีความสุขทดแทนเราก็จะหยุดไม่ได้เน้นเราต้องหาความสุขทดแทนเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าแฟนคนกเนก่าล้วแานเก่านี้ไม่ดี เราหาแฟนใหม่สำรองไว้ก่อนพอได้แฟนใหม่แล้วก็ทิ้งแฟนเก่าได้เธอไปได้แล้วฉันไม่ต้องการเธอแล้วแต่ถ้ายังไม่มีแฟนใหม่นี่ก็จะโหดร้ายยังไงก็ยังทิ้งเขาไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ยังให้ความสุขเราได้บ้างเวลาที่เราต้องการเขาแต่ถ้าเราหาคนใหม่ได้แล้วคนเก่านี้โหดร้ายกับเราทารุนกับเราแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยนั่นเราต้องหา หาแฟนคนใหม่ให้ได้แฟนคนใหม่ของเราก็คือความสงบนี่การปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้เราสงบ <c oughs> ใจสงบแล้วเราจะได้เหมือนกับได้แฟนใหม่ใจคนนี้ดีทุกอย่างเอาอกเอาใจเราทุกอย่างต้องการอะไรให้ทำอะไรทำให้หมดทุกอย่างนี่คือความสุขใจเป็นเหมือนแก้วสารพัดแก้วสารพัดนึกอยากจะได้อะไรได้หมดเลย ถ้าเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็เลิกหาความสุขทางร่างกายได้หยุดความอยากต่างๆได้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากไปนู่นมานี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนนั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้คนนั้นดีไปตลอดนี่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เขาก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาไปอยาก ที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ทุกไปเปล่าๆเช่นเรารักคนรักเราอยากให้ไม่เขาเจ็บไายก็อยากจะให้เขาหายแต่เขาไม่หายจะทํำยังไงเขาจะตายอย่างเงี้ยหรือเขาตายเนี่ยถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์การไม่มีความอยากไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเยื่อใหญ่หรือไม่มีความเมตตาต่อกันเมตตก็มีความเยื่อใหญ่ก็มีก็ช่วยเต็มที่ดูแลกันอย่างเต็มที่ แต่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่มีความอยากจะคิดแบบนี้แต่ถ้ามีความอยากแล้วต้องอยู่อย่างเดียวถ้าไม่อยู่แล้วเราต้องตายก่อนเขาอย่างนั้นเราตายไปเขาก็ห้ามความตายเขาไม่ได้ห้ามความเจ็บไข้เขานะไม่ได้อยู่ดีนนคนที่มีความสงบแล้วจะมีเหตุมีผลจะยอมรับความจริง ว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาจะทํายังไงก็ห้ามมันไม่ได้อยากไปก็ทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เลยคนที่มีความสงบจะไม่ไม่ทุกข์พอความอยากเกิดขึ้นมาก็จะหยุดมันทันทีเพราะมันไม่มีโทษไม่มีคุณประโยชน์ในความอยากนี้มีแต่โทษ มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของพวกเราแล้วมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้ไปแก้ไขอะไรไม่ได้ไปทำให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายหเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้แต่จะทำให้เราทุกข์ร น, นทดใจไปเปล่าๆกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีคนตายไปต้องหลายวันแล้วยังตัวเองอยังโสมอยู่นั่นแหละเพราะความอยากอยากให้เขากลับมา อยากให้เขาเป็นเหมือนเดิมให้ความสุขกับเราเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสุขในใจแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งเขาเขาจะไปก็จะอยู่ก็ไม่เป็นปนัญหานี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาหากันในวันพระนี้คือมาหาวิธีทำใจให้สงบแล้วเอาไปกระทากัน วิธีที่ทาใจให้สงบก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดไม่ได้ความอยากมันก็จะไม่หยุดเพราะความอยากนี้ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเวลาคิดถึงขนมปั๊บมันก็อยากขึ้นมาทันทีถ้าไม่คิดมันก็ไม่อยากหรือถ้าจะคิดให้มันไม่อยากก็คิดถึงอุจจาระแทนเวลาคิดถึงขนมก็คิดถึงเวลามันเป็นอุจจาระไปเอ๊ะกําลังจะไปกินอุจจาระนี่ว่อะ ถ้าคิดอย่างนี้มันก็หายอยากได้นี่เรียก ว, ว่าปัญญาปัญญาทางอุธาสานานี่หวาดเสียวคนไม่ชอบกัน <c oughs> คิดถึงความตายก็เป็นปัญญาคิดถึงความแก่ก็เป็นปัญญาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นปัญญาแต่คนเราทางโลกไม่ชอบกันโลยโง่กันโง่กันอยู่เรื่อย เพราะว่าจะทําให้ต้องไปหาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเห็นว่าการไปเกิดทําให้แก่ต้องทำให้มาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปจะได้เลิกไปเกิดทันทีการจะเลิกจะเกิดก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากก็ต้องมีความสุขใหม่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดังนั้นเรามาหยุดความอยากกันหยุดความคิดการ้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป คิดแต่คำว่าพุโทโธแทนคิดถึงขน ม, มคิดถึงอะไรต่างๆ่างตั้งแต่เตือนขึ้นมาพุโทโธไปเลยไม่ใช่แต่มาเฉพาะเวลานั่งหลับตาเท่านั้นเพราะทำมานั่งหลับตามันไม่มีกําลังมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทั้งวัน <c oughs> พอจะให้มันคิดพุโทโธมันคิดได้สองคำมันก็หมดกําลังแล้วหรือหลับไปเองนังต้องฝึกทําตั้งแต่เตื่นจนหลับเขาเรียกว่าสติให้ฝึกสติ วิธีฝึกสติมีหลายวิธีอันนี้วิธีหนึ่งพุทโธนี่วิธีหนึ่งนึกถึงความตายก็ได้นี่ก็วิธีหนึ่งนึกถึงความตายก็เรียกว่ามอนานุสติหรือจะดูร่างกายของเราเฝ้าดูร่างกายของเรามันกําลังทําอะไรอยู่ก็ทําไปกับมันอย่าไปทําอย่าไปคิดเรื่องอื่นร่างกายกําลังลั่งหน้าก็ลัางหน้าไปกับมันกินข้าวก็กินไปกับมันไม่ใช่ลัางหน้าไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเรื่องของร่างกายใจก็จะไม่ลอยใจก็จะนิ่งเวลามานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจต่อดูลมไปถ้าไม่ลอยไปที่เรื่องอื่นเดี๋ยวก็จะสงบสงบแล้วก็จะเจอความสุขที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพอเราได้ความสุขอย่าง น, นี้เรารู้จักวิธีสร้างความสุขอันนี้แนละ้วเราก็ไม่อยากจะไปหาความสุขแบบอื่นแนละ้ว วิธีนี้ง่ายกว่าแต่ได้ผลดีกว่าหลายล้านเท่าในความสุขที่เกิดจากความสนบแล้วจะไม่อยากได้ความสุขแบบอื่นอีกต่อไปก็จะไปบวชได้ถ้ายังไม่ได้บวชก็ไปบวชได้ถ้าบวชก็จะไม่คิดศึกเนี่ยวนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่มีร่างกายก็ก็มีความสุขนี้ได้ ไม่มีข้าวกินก็มีความสุขนี้ได้พระพุทธเจ้าอดข้าวได้ทั้งสี่สิบเก้าวันพวกเราอดมือเย็นมื้อเดียวยังอดไม่ได้ขึ้นดูวราะเราไม่มีความสุขข้างในใจพระพุทธเจ้าท่านมีความสงบท่านถึงทนกับความหิวของร่างกายได้แต่พวกเรามีร่างกายเป็นตุ่มแล้วยังทนไม่ได้มีอาหารสะสมไว้อยู่กันเดือนก็ไม่ตาย แต่ขาดอาหารมือเย็นมือเดียวจะตายให้ได้กอไม่เคยหยุดความอยากที่มันทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะว่าร่างกายมันหิวทุกข์เพราะใจหิวทุกข์เพราะใจอยากพอปล่อยให้มันอยากมาเรื่อยๆจนมันเสียนิสัยพอมันอยากปั๊บก็ต้องประเคนให้มันทันทีพอไม่ประเคนมันก็ลงแดงทันทีเป็นแรงเต้นกลาขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาฝึก แก้ปัญหาตรงนี้ถ้าไม่มีความสงบเราจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้จะสู้ความอยากไม่ได้เวลาเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความสงบเรารู้จักวิธีทำความสงบเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ทําใจให้สงบเสียพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมนะอยากจะกินอะไรอยากจะไปทําอะไรพอพุทโธพุทโธไปสักไม่กี่นาทีลืมไปแล้วใจก็สงบเย็นสบายยังมหัดฝึกเจริญสติกัน พุทโธก็ได้ดูร่างกายก็ได้นึกถึงความตายก็ได้เวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกการสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ก็เป็นการจเจริญสติเหมือนกันแต่ต้องสวดแบบไม่คิดอะไรไม่ใช่สวดไปคิดไปต้องอยู่กับการสวดอย่างเดียวแล้วใจจะมีสติและเวลามานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้เป็นขอ ปากเรื่องของการมาวัดในวันพานี้มาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ให้ท่านได้นํำมาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญและความดับทุกที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 ภราสยาถาสัพพิโยวิวัจจันตุสัพพโรโคลมีนัสตุมาเตภาวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมวาฐานติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปกคอยากจะประเคนข้าวของอะไรหรือต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบไปได้ตามอัธยาศัยต้องหนังสือดีถทบไเล้ยงฟังออาไปศึกษาอาไปศึกษาพาไปบูชาไม่ดี่เอาไปอ่านอกอ่านเยอะไม่ทำก็ไม่ดี เอาไปได้อะไรทุกอย่างเอาไปอย่างนได้เลยวางแลควรจะเอาโด้ตหนังไอ่านกันเอาทุกอย่างเลยให้เลยเอาไปอ่านให้ทุกอย่างเรได้่าไม่มีรายรถดรายชาติ เวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเวล า, ท, า, ท, ท, าที่เราปฏิบัติแล้วเราสงบเนี่ยยังไงถึงเรียกว่าสงบปฏิบัติไม่คิดใช่ไหมครับคือมันมันมันมีหลายอย่างคือไม่มีความคิดอย่า ง, างนี้นบแล้วก็มีความสบายใจเบาอกเบาใจ ปัญหาต่างๆความทุกต่างๆความหนัก อ, อกหนักใจที่เคยมีอยู่มันหายไปหมดผมคราที่แล้วมาฟังหชองพ่พกลับไปบ้านตั้งสมที่อุ้งสงบดี อ, อแต่พอสงบนะมันก็สงบเฉยเฉยมันไม่รู้จะทําไงาอ๋อก็<ๆ>ไม่ต้องทําอะไรแล้วเหมือนเวลาคุณมีความสุขแล้วคุณจะไปทําอะไรต่อคุณก็พยายามรักษาความสุขนั้นต่อไป เป้าหมายก็คือรักษาความสงบไปเรื่อยๆนั่งให้นานๆนั่งให้มากๆแล้วก็เวลาออกมามันก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งรักษาความสุขต่อไปก็คือต้องเห็นโทษของความอยากถ้าเรามีความสุขมีความสงบทางใจแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตใจของเราดูเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาที่มันอยากกับไม่อยากเวลาไม่อยากนี่มันจะรู้สึก สบายสบายเฉยๆแต่พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะกะวนกระวายกระสับกระส่ายเราก็ต้องเห็นโทษ ว, ว่าไอ้ตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจนี้ก็คือความอยากเรา้เราต้องฝืนความอยากอย่าไปทำตามความอยากบางทีสงบแล้วเราก็มีสติให้มนสงบนะสติคุมไม่คิดอะไรเนี่ยแต่บางท่านก็บอกว่าพอสงบแล้วต้องไปวิปัสสนาว่าธรรมะ ก็วิปัสสนาตอนหนังตอนที่ออกจากความสงบแล้วตอนนี้คุณวิปัสสนาได้แล้วนี่เวลาคุณอยากอะไรก็มองให้มันเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรทําให้ใจกระเพื่อมใจไม่สบายแล้วก็สิ่งที่เราได้มาก็จะมันก็จะมีปัญหาต่อไปมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาได้อะไรมาเดี๋ยวต้องเป็นทุกข์กับมันได้รถมาเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับมัน เดี๋ยวต้องเข้าอู่เดี๋ยวต้องซ่อมต้องเสียเงินดูพ่อคุณเห็นว่าเพึงได้รถมาคันตอนนี้เห็นทุกไปตอนนี้ไม่มีน ốt ก็ไม่ต้องทุกข์กับมันใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีอยากได้ใช่มเพรา็เห็นสุขอย่างเดียวว่ามีแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้อย่างนู้อย่างนี้พอได้มาแล้วบางทีกลางคืนนอนไม่หลับกังวนกระวายกลัวเดี๋ยวขโมยมาขโมยใจใช่ัครไหละไม่ไม่ เนี่ยเขาเรียกวิปัสสนาแล้วอเขาวิปัสสนาก็ให้เห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากเวลาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาความสุขความสงบหายไปเลยครับความกังวลกระวายกลับมาแทนที่อันนี้คือวิปัสสนาอันนี้คือวิปัสสนาและที่ว่เข้าถึงอริยสัจสีก็นี่แหละวิปัสสนาก็เห็นทุกข์เลยอริยสัจสี่คืออะไร คือทุกข์สมุทัยเห็นแล้วอย่างว่าทุกข์ทุกข์ก็ถือว่าไม่สบายใจไม่ได้ของที่มันไม่เที่ยงมาแล้วก็ไม่สบายใจแล้วต้เหตุก็ใต้นเหความทุกข์เกิดจากอะเพราะว่าใจนี่เราไปไปอยากแล้วไงใช่ไหมเราอยากแล้ววิธีที่จะหยุดความทุกข์นี้ได้ไงหยุดความอยากได้ไงก็ต้องไม่อยากนั่นจะไม่อยากก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอะไรเห็นว่าเป็นทุกข์นั่นแหละเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ไม่ใช่ซื้อรถมาปั๊บแล้วมันจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะมันไม่เที่ยงไงมันไม่ได้ใหม่ไปตลอดออืมันใหม่แค่เฉพาะวันแรกแต่วันต่อไปมันก็เริ่มเก่าแล้วแล้วก็เริ่มให้เราขับทุกกับเราแล้วอต้องเห็นทุกทุกเพราะมันไม่เที่ยงสามเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงตั้งวันหนึ่งมันกับเราจะต้อง แยากทางกันไปถ้าแยกากันโดยที่เรายินยอมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแยากกันไม่ยินยอมถูกขโมยไปนี้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้นี่ระมัดนี่ร<ล>ะมัดนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาคือมัดอันนี้คือคือวิธีอวิถี ท, ที่จะไปดับทุกข์ไปดับทุกข์ไปหยุดความอยากยยาพอเห็นมันเป็นทุกข์ปั้วก็หาอยากเลยในชะ อย่างถ้าไปอยากจะไปมีแฟนแฟนันนี้ก็เป็นเอชอวีนี่จะอยากได้ก็มาเป็นแฟนถอยได้ใช่ไหมนี่เราไม่เห็นเอชวในตัวเขาไม่เห็นทุกในตัวเขาทุกอย่างมันเป็นทุกบทที่จะจะเห็นในตรงนี้มันยากก็ไม่ยอมมองมันก็ไม่เห็นมันไม่มันเห็นมันมีอยู่ชัดๆเราไม่ยอมมองเราไปมองในส่วนที่มันมันมันดีไอส่วนที่ไม่ดีไม่ยอมมองกัน เราอยากได้อลไรมันทําให้เราหลงทําให้เรามองไม่มองไ ม, ไม่ไม่รอบด้านมองเพียงด้านเดียวมองด้านดีไม่ยอมมองด้านเสียเนี่จะมองตรงที่ใ ด, ดมันก็ต้องฝึกไงต้องฝึกเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไงต้องมองแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนได้แฟนมาวันนี้ยี่สิบสามสิบปีก็หน้าเหี่ยวย่นผมขาวาหลังโก ง, งมันไม่มองถึงตรงนั้นกันเอาเฉพาะปัจจุบันกั น, นอันนี้สุอ ที่เราต้องมีสติตลอดใช่ไหมอันนี้แล้วแว่าวิปัสสนาต้องระลึกถึงความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่เราอยากได้เวลามันเปลี่ยนไปส่วนยหญ่มันจะเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบกันแล้วเราก็มาทุกข์กับมันถ้าเราไม่มีมันเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันหรือว่าให้เราหาความสุขในใจเราให้ได้ ถ้าเรามีความสุขในใจเราก็จะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดต่างมาให้ความสุขกับเราแบบเบื่อครั้งที่ทําเนี่ยพอรู้บางทีเราเหมือนเหมือนวางไปเลยเขาบอกว่าอันนี้เท่ากับเราเอาหินไปทับมันเราไม่ได้มีเหตุมีผลกับมันมันก็ครเัเหตุผลมันก็อยู่ที่เหตุผลว่าเราวางด้วยอะไระวางวางเพราะเบื่อเนี่มันก็เดี๋ยวมันก็เป็นมันเป็นอารมณ์ไม่เป็นเหตุผลใช่ไหม เบื่อได้เดี๋ยวก็อยากได้บางทีของที่เราเห็นบ่อยๆเบื่อเอาไปทิ้งสักพักเดี๋ยววางไว้เฉยๆเดี๋ยวอีสักพักกลับมาชอบขึ้นมาอีกแล้วแต่าต้องถ้าจะเห็นด้วยถ้าจะทิ้งแบบถาวรทิ้งแบบขาดไปเลยก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษมันเป็นยาพิษอย่างนี้ถ้าคุณเอาสุลามาแล้วเขาติดเครื่องหมายว่าเป็นยาพิษนี่คุณจะกล้าดื่มไหมใช่ไหมเขาไม่ติดยาเป็นยาพิษเขาเค้นเขาติดว่าเป็นเครื่องดื่ม อะไรให้ความสุขก็เลยเดิมกันต้องเห็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นโทษกับเราตรงที่ว่านิโรดนี่ก็คือดับได้เข า, าใจแล้วก็เขาหยุดเหตุผลเพราะหยู่วความอยากเพราะอยู่ความอยากนิโรดความทุกข์นิโรดแปลว่าความดับทุกข์ความดับทุกข์เป็นความดับของทุกข์พอไม่พอไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะหายไป นีอีกครั้งบางครั้งเนี่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนกูแนกกูเก่งอะไรเงี้ยกนคือเถียงเราไม่ได้เงี้ยมันรู้สึกโกรธขึ้นมาไอ้ตรงนี้บางทีรู้นะเอ้ได้ทํำยังไงถึงจะดับไปตรงกูแน่กูเก่งไอ้เป็นอุทานตรงนี้ไปได้ก็ดูคนแน่คนเก่งที่เวลามันแก่มันมันหมดแนวหมดเรี่ยวหมดแรงเลยมันทําอะไรได้ใช่ไหมมันก็เก่งได้เฉพาะเวลานี้เท่านั้น ต่อไปเวลาแก่ลงไปแก่ลงไปก็ทําอะไรไม่ได้เจกินเองยังกินไม่ได้เลยกูหน้ากูเก่ง <c oughs> ต้องให้คนอื่นก็ป้อนให้กิน <c oughs> ออคนไม่ยอมมองตัวเองทุกตั้งแต่เกิดจนตายมันเลืพระอาจารย์สอนให้ให้คิดอยู่บ่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันจะได้ไม่หลงคือบางครั้งเนี่ยสติบา <c oughs> ีมันเกิดขึ้นตั้งขึ้นจะ่วมงเหิ้ลึกได้ ออนี่มันเป็นเพราะเขาเถี่ยงเราก็ไม่เชื่อเราเราก็รู้สึกว่าเราโกรธถิ่ม่ะและทําไมเราถึงจะรู้ได้เร็วครับก็ต้องฝึกบ่อยๆฝอกให้มีสติอยู่เรื่อยๆแล้วก่อนที่ผมจะทำสมาธิคือผมจะต้องเดินตรงกรมก่อนบางครั้งลัดขั้นตอนไปนั่งสมาธิอย่างเดียวสมาธิไม่มีต้อเดินตรงกรมไปก่อนได้นี่แล้วแต่แต่ละคนระบียบายที่แตกต่างกันไป ทำยังไงก็ได้ขอให้นั่งรับจิตสงบก็แล้วกันแต่เพียงแต่ว่ามันทําน้อยนมันต้องทําทั้งวันอย่างนีดีเนี่ยพระเนี่ยท่านมาบวชกันเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ยท่านทําแค่นี้เดินจงกรมมานั่งสมาธิไปควบคุมใจให้มันสงบตลอดเวลาควบคุมความอยากความอยากโผล่ขึ้นมาต้องตัดมันด้วยตายรักทันทีพออะไรอยากว่าเห็นเป็นตายรักทันทีพอเห็นปั๊บตัดปั๊บมันก็ดับไป แล้วต่อไปมันจะไม่โผลขึ้นมาถ้าเราตัดมันเรื่อยๆปัดมันไปนเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหมดคือเราทําจนเคยชิ น, น, นจนเป็นนิสัยเป็นนิสัยเออเป็นตัดเป็นอัตโนมัติไปเลยหนังตาบอกสติปัญญาอัตโนมัติาภาษาบาลีก็เรียกม้าสติม้าปัญญาตอนต้นนี้มันไม่เป็นม้าสติม้าปัญญามันเป็นสติปัญญาแบบล้มลุกคุกคาน มีบ้างไม่มีบ้างเวลามีก็ก็ตัดมันได้เวลาไม่มีก็ถูกมันกินจุกมันไม่เป็นอะตอมมันอมันยังไม่เป็นอะตอมันเราต้องฝึกไปเรื่อยๆมันต้องคิดมันเองต้องฝึกไปนะครับทางนี้อยู่เรื่อยๆมองเห็นอะไรมองให้มันเป็นตายรักทันทีมองเห็นอะไรนี้เห็นว่าเป็นทุกข์ทันทีและที่เราสงบเนี่ยเวลานั่งมันเราอยู่กับความว่างใช่ไหม ความสุขความว่างมันเป็นตัวเดียวกันมันอยู่ในที่เดียวกันความว่างอุเบกขาใจเป็นการไม่มีความโลภความอยากไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงใจจะไม่หวั่นไหวกับอะไรในขณะนั้นกลัวก็ไม่กลัวรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังเห็นอะไรก็เฉยเฉยแต่ไม่เฉยเมยเฉยทางอารมณ์ก็ได้ไหมแต่รู้ทุกอย่างที่เห็น แต่ไม่มีความรู้สึกต่อมันการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปนึกถึงชานเดียวครับอ๋อคำว่าชนก็คืออ๋อไม่ต้องหนาะเวลานั่งเหมือนคุณขับรถคุณไปนึกก็เปล่าตอนนี้รถวิ่งกี่รอบแล้วมันจะกี่รอบก็ช่างมันคุณมีหน้าที่ขับให้มันรถมันวิ่งไปตามถนนไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการไปเท่านั้นคุณปฏิบัตินี่คุณต้องการให้ใจสงบเท่านั้นเองจะสงบในขั้นไหนมันไม่ต้องแปดขั้นนะอ่ะชานแปด คือบางครั้งเนี่ยผมคุณพรอ่านแล้วทิ้งบอกว่าไอ้ทําคําว่าสงบไอ้คาว่าว่างเลยมันเป็นอ่ารูปฌานห้าหรือหกอะไรเนี่ยครับเขาบอกเอาแค่นหนึ่งยุคสี่ก็พอบอกเอ๊ะแล้วไอ้ตัวว่างไอ้ตัวว่างตัวที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นวันอะไรกันแน่คุณหลวงคือถ้าคุณยังไม่ถึงฌานสีนี่คนจะยยังยังสงสัยอยู่ครับถ้าถึงฌานสี่แล้วคุณจะรู้เองว่ามันเป็นอย่าง เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประทับใจมากเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจมากเหมือนยกภูเขาออกออกจากอกต่ทุกวันนี้คุณกำลังถูกภูเขากดอยู่เลยไม่รู้สึกตัวภูเขาองค์คนก็คือความอยากความทุกข์ต่างๆอยากกับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่พ็เข้าถึงฌานสี่นี้มันหายวับไปหมดเลย เจ็บเวลามันจะมันถึงชานสีนี้มันจะลงไปแบบตกหลุมต ก, ต ก, ตกบ่อเวูบลงไปนิ่งมันต้องวูบลงไปแล้วก็นิ่งแล้วก็สบายเหมือนลอยอยู่ในอวากาศอยู่ในความว่างไม่มีอะไรร่างกายที่นั่งขณะที่นั่งมันรู้สึกเจ็บดังนั้นปวดตรงนี้หายไปเลยบางทีร่างกายก็หายไปเป็นได้สองแบบร่างกายมีอยู่ความเจ็บมีอยู่แต่ใจไม่ได้ไปสนใจมันเลย เหมือนกับไม่มีมีเหมือนกับไม่มีเรามีสติอยู่ไหมครับอาต้องมีสิต้องมีสติอต้องมีสติตลอดเวลาถึงจะสงบถ้าไม่มีสติก็หลับเนียถ้าหลับก็ไม่รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องก็ตอนตื่นนอ้ดูในจฬนั่งไปตั้งครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นหลับไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิถ้ามีสมาธิเหมือนกับเราคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันเราหยุดอยู่ดีๆก็หยุดคุยกันต่างคนต่างนิ่งใช่ไอย่างเงี้ย แต่รู้ว่าอ๋อทาไมไม่พูดแล้วล่ ะ, ละอันนี้ก็เหมือนจิตเวลามันจะหยุดก็เหมันชุบเลยมันก็นิ่งไปเลยหยุดไปเลยแล้วอันนี้ก็เหมือนกับว่าต้องนานไมครับหรือว่นยับเดียวเองก็<ห>ขึ้น <ไป S 1> อยู่กับกำลังของสติที่เราฝึกฝัรวมมาส่วนยานใหม่ๆจะสั้นเราเรียกว่าคณิกะคณิกะมาจากคําว่าขณะหนึ่งขณะสมาธิใหม่ๆนี่จะแบบเหมืนกับฟ้าแลบ สงบปั๊บแล้วก็ถอนออกมาเลยแต่ความสงบนั้นมันมหัศาลจำใจเราอยากจะได้มากขึ้นก็ต้องรู้และต้องฝึกสติให้มากขึ้นเพราะสติเป็นตัวดันจิตให้เข้าเข้าไปข้างในถ้าสติกําลังน้อยก็เข้าได้ปั๊บไอตัวดันออกก็คือกิเลสตัณหามันมีอยู่ข้างในมันจะดันจิตออกเรื่อยๆดงนั้นกำลังของสติต้องมีมากกว่าตัณหาถึงจะเข้าไปได้เรือยกว่าได้นานกว่า คนที่อยากจะได้อยู่สมาธินานๆเนี่ยเขาต้องต้องเป็นฤาษีโยคีเป็นพระเป็นนักบวชกันและอยู่ตามป่าตามเขากันวันไม่ต้องทําอะไรคอยควบคุมสติควบคุมความคิดนี้ตัวเดียวเพืจะได้ดันมันเข้าไปดันเข้าไปเวลาเข้าไปแล้วให้มันนั่งให้มันอยู่ได้นานๆมีอะไรหรือเปล่า ถ้าทําบุญกับพระสงฆองคอง์เจ้ากับทำทานก็จนแต่ก่อนไม่ชอบทำทานมา ก, กับอนนี้สอผลบุญมันแตกันมากคือการทําทานเนี่ยททาํร า, ยารทำกับบุตรชนธรรมดาด้วยเด็กการทําทานเนี่ยมันทํำกับใครผลมันจะว่าเท่ากันก็อยู่ที่ใจของเรามากกว่าว่าเราทําแล้วเราบ่อยสุดมากน้อยเพียงไห ถ้าเราต้องการผลตอบแทนนี้บุญก็จะได้น้อยความสุขใจก็จะได้น้อยเ น, นื่องจากเป็นคนธรรมดาระดับการที่เราทำบุก็ต้องแบบไม่ใช่ว่าจะต้องขอแต่ว่าอาจจะคิดไปนะคะว่าเออถ้าเราทำบุญอย่างนี้ขอให้อริสุจ์เป็ น, นบุญส่งเสริมให้ลูกดีๆขึ้นไปหรือว่าล่ลํารวยเป็นสุตรีตาถึก็พยายามกดมอารมณ์ตรงนั้นนะคะแต่มันก็อไดไม่ได้ทุกที <S 1> <S 1> ก็คือเราไม่เข้าใจหลักการของการทําบุญเนี <S <S <S ่ย ว่าการทําบุญนี้ไม่ได้ต้องการความน่ํารวยไม่ได้ต้องการผลตอบแทนจากใครต้องการความสุขใจอันนี้คือความหมายของการทําบุญถ้าคุณต้องการความน่ํารวยนี่เราถือว่าเป็นเหมือนกับการไปซื้อลอตเตอรี่นะคุณซื้อลอตเตอรี่นี้คุณไม่ได้ทําบุญแต่คุณต้องให้เงินคนที่เขาขายลอตเตอรี่คุณแล้วเผื่อคุณถูกลอตเตอรี่เขาก็จะได้เอารางวัลให้กับคุณอย่างนี้เราก็ไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญ ถ้าเป็นการทำบุญนี้เราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากคนที่เราไปให้เราต้องการให้เขามีความสุขเขาเดือดร้อนเราต้องการช่วยดับความเดือดร้อนให้กับเขาถ้าเราทำานี้แล้วเราจะมีความเพิ่มปิติขึ้นมาในใจของเราอันนี้คือเรื่องของการทำบุญเป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องการทำกับบุคคลนี้ก็มีผลตอบแทนจากบุคคล เพราะว่าเวลาเราไปทําบุญกับใครเขาก็จะพูดกับเราใช่ไหมไปทําบุญกับพี่ป้านะ้าอาเขาก็จะขอบขอบขอบใจหนูอย่างงุ่นอย่างนี้ให้ให้พงให้พรไปไปทําบุญกับโรงพยาบาลหมอก็อาจจะขอบใจแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทางดูแลรักษาสุขภาพให้กับเราอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนที่จะต่างไปจากบุคคลแต่ละบุคคล ถ้าไปทํากับพระเอก็ได้มาคุยธรรมะกันได้ฟังธรรมกันอันนี้ก็อันนี้เป็นผลตอบแทนที่ได้จากการทําบุญกับบุคคลต่างๆเราจึงบอกว่าถ้าทําบุญกับคนธรรมดานี้จะไม่ได้ธรรมะแต่ถ้าทําบุญกับพระ อ, อริยสงฆ์เนี่ยจะได้ธรรมะแล้วธรรมะของท่านแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน พระสสดาบาลก็สวัิได้ร้อยเท่าพระเสกีดาวคามีก็ได้พันเท่าพระอนาคามีก็ได้เหมื่นเท่าพระอรหันต์ก็ได้แสนเท่าพระพุทธเจ้าก็ได้ล้านเท่าคือความรู้ที่ท่านจะให้กับเราเนี้ยมีมากน้อยไม่เท่ากันเพราะท่านเหล่านี้เป็นเหมือนนักศึกษาที่จบปริญญาขั้นต่างๆพระโสดาบาลนี้อาจจะเป็นจบปริญญาตรี พระสกิาคามีปริญญาโทเนี่ยพระอนาคามีปริญญาเอกพาาาระอรหันเหนือกว่าริญญาเอกขึ้นไปพระพุทธเจ้าสุดสูงกึ้ไปกว่า น, นั้นนี่ความรู้ต่างๆของบุคคลเหล่านี้มีมากน้อยต่างกันเขาก็จะสามารถสอนให้เราไปได้ปริญญาระดับต่างกันถ้าเรียนจากครูที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีเราก็ได้อย่างมากแค่ปิญญาตรีเราจะไม่มีวันที่จะไปเรียน ได้ปริญญาโทถ้าอยากจะได้ปริญญาโทก็ต้องไปเรียนกับคนที่จบปริญญาโทมาแล้วนี่คือผลที่เราจะได้จากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยแต่ผลนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราอยากจะเอาป่ะบางทีไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าบางทีก็ไม่ฟังทำใส่บาทรเสร็จก็ข อ, อกลับบ้านนี้ขอรับพรอย่างเดียวอย่างนี้ก็จะไม่ได้เลจากพระพุทธเจ้า นอกจากการให้ผ่อลนแล้วก็ได้ความสุขจากการได้ใส่บานกับพระพุทธเจ้าแต่จะไม่ได้ปัญญาอย่างโยมเมื่อกี้เนี่ยคนนี้มาเนี่ยวันนี้พวกโยมไม่ถามเลยเนี่ยมีคนที่ถามคนเดียวได้หมดได้ได้วิปัสสนาละได้ปัญญาได้อริยมรรคอริยผลละเข้าใจอริยสัจถ้านำมาไปปฏิบัติก็เป็นโสดาเป็นโสดาได้แล้อเพราะว่า ไปอ่านของหลวงปู่ดูลได้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสุนไทยอันนี้<ช>พอจะรู้ว่าเป็ลักแต่จิตเห็นจิตแจ่มแจ้งนี่เป็นนักเป็นนักงงอยู่เห็นจิตแจ่มแจ้งก็เพราะว<ช>่าจิตสงบจิตปราศจากความอยากค<ช>จิตอยู่ข้างในจริงอยู่ที่ความอยากออืไม่ไม่เข้าใจเราหลวงพ่อบอกว่าความอยากนี่มันเหมือนกับไข่พิเศษอลยวัาจริงมันอยู่ที่ความอยากนี่ ถ้เาเรียสัตสีก็ดูสิมันทุกขสมุทรทานยโรธมากตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวความอยากโดยนยมีอะไรต่อพ่ อ, อค่อบอถหน่อยค่ะเวลานั่งวิปัสสนาเนี่ยนั่งประมาณสักเกิดชั่วโมงแล้วเนี่ยมันเหมือนอาการแบบคล้ายๆมันจะหูกไปเลยค่ะ พูดแบบมีสติก็ป่าก็ป่อมันูดไปเสจใจมันจะสงบไปก็ป่ามันพูดไปมนที่เป็นพักบางทบบพูดกระทงสงบแป้งกระหายดีแล้วก็พูดไปอย่างะอสงบเป็นพักๆไปสงบเป็นเดียวๆสงบแล้วก็กลับมาพอพยายามทำให้มันลูดนันนะสงบนานๆจะทำยังไงให้มันตั้งเสร็จตรงนั้นได้ก็ใช้สติประคับประคองมันไปมันเหมือนเหมือนเชเหมือนไม่ได้หายใจอะค่ะ ก็ช่างมันไม่เป็นไรไงแต่แล้วจิตจะสงบนี่มันจะปล่อยวางร่างกายมันเหมือนไม่ได้หายใจเหมือนใจขาดไงหมืว่าก็ปล่อยมันก็ปล่อยให้มันขาดไปมันไม่ขาดหรอกมันเป็นความรู้สึกมันต้องการที่จะปล่อยร่างกายให้มันขาดใจได้มันไม่ตายหรอกแล้วมันจะสงบมันมันจะปล่อยร่างกายตรงนั้นก็เหมือนคนจะตายงั้นแหละ แต่มไม่ตายหรอกเข้าใจไมไนะมันจะสบายเราใช้อะไรนะเราเนั่งเราใช้อะไรเร็พูดโทรไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลกับมันมันจะขาดใจก็ปล่อยมันขาดใจไปแล้วก็พูดโทรขงเราไปอย่าไปสนใจกับอะไรเวลาเราภาวนาะที่มันจะขาดใจมตั้งสกิตรงนี้ไม่ได้จะทำไงก็ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตั้งได้ใหม่ๆมันตื่นสนาม พอรู้แล้วต่อไปก็เวลาเจอมันก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันอ่าก็ลองไปทดูเลยลองเกาติดอยู่กับพโธอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจมันเไวมา่้สติไม่ดตอเดี๋ยววันนี้ได้แล้วเนี่ยพอาะเมืก่อไม่มีใครบอกเนี่ยไม่รู้จะตั้งสติยังไงก็ง่ายพุทโธไปเรื่อยๆ มันจะขาดใจก็พุทธัวพุทธัวให้มันขาดใจไปเลยให้มันตายไปให้มันรู้ไปอา่ามันจะเข้าเกี่ยวกับสมองเล่นเรียนว่าการแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว คือคำว่าแผ่เมตตาก็คือการมีอัธยาศัยไมตรีจิตตสัรพสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่แต่ส่วนใหญ่เราจะแผ่กับคนที่มีชีวิตอยู่คนที่เราอยู่ร่วมกันนี่เแเวลาอยู่ร่วมกันอย่าทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันก็แสดงว่าไม่ได้แผ่เมตตาแล้วต้องให้อภัยกันต้องห่วงใยกันต้องดูแลกันอย่างนี้เรียกว่าเมตตาก็ ให้มีความปรารถนาให้เขามีความสุขทํำยัง ไ, ไงไ ใ, ให้เขามีความสุขทําไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่ทําให้เขามีความทุกข์ส่วนผายคนตายนี่มันแผลยากเพราะมันไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วเข้าใจไหมคนตายนี่ท่านให้อุทิศบุญถ้าเรารู้ว่าเขามาขอบุญจากเราเช่นเขามาเข้าฝันอย่างนี้มันตายไปแล้วมาเข้าฝันมาขอให้ ช่วยส่งข้าวส่งของไปให้เราก็ทำบุญแล้วก็กวดน้ำส่งไปให้เขาเนีก่กเาอุทิศบุญเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรค่ะเจ้ากรรมนายเวรก็คือคนที่เราไปทะเลาะกั น, น, นใช่ไหมเราไปด่ า, า, า, าเขาเขาก็เขาก็กลับมาดา่าเราชาติหน้าไปเจอกันก็ด่ากันต่อ <c oughs> อุทิศไม่ได้แล้วเจ้าหน้าเวลาเจอเขาก็ยิ้มให้เขาสิอย่าไปด่าเขาเขาจะด่าก็เขาปล่อยเขาด่าไปแล้วบางคนบอกว่าให้อุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับเจ้ากรรในแบบนี้นะคะเอก็เขาไม่ต้องการเขาต้องการจะด่าเราเนี่ยเก็ปล่อยให้ก็ด่าเลยเขาต้องการอะไรเขาปล่อยเขาทาไปแลก็ทําทําพอแล้วเขาก็อยู่เอง เหมือนกับเราอะเวลาเราอยากจะทุบอยากจะตีใครเขาจะมาอุทิศบุญให้เราเราจะเอาไหนก็ปล่อยเขาทุบเขาตีไปจนกว่าเขาเหนื่อยเขาหมดแรงเาก็จะหยุดเองคือใช้เวรใช้กรรมไปเข้าใจไหมกับเจ้าเวรเจ้ากรรมในเวรนี้ต้องมีแต่ต้องใช้เวรใช้กรรมไม่ใช่ไปตีเขาแล้วมาขออุทิศส่วนบุญให้เขาเอง ถ้าไม่อยากจะให้เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราก็อยากไปมีเวรมีกรรมกับเขาเออย่ามีเวรกรรมอเวลาโหนตสุ่ยกันปากเปรียกปากฉีดอพอเจอกันก็ยากเคี่ยวสั่นกันก <c oughs> ็สมมาทำก็จะเป็นอย่างเนี้ค่ะมีการย้อนกันนั่นน่ะสะิก็จะพยามถ้ามีคนมาหาเรื่องก็ยิ้มเหมือนกันแต่เขาก็จะว่าเราบ้าง ก็ปล่อยเขาบ้างแล้วก็ยิ้มตอบไปเรื่อยๆเสียหายตรงไหนแล้วบ้านตรงไหนเน่ะเขาว่าเราบ้าเราเราบ้าบ่ะนั่นเลยสิเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะว่าเราหรือไม่ว่าเราเขาจะชมหรือไม่ชมเราไปห้ามเขาไม่ได้ขอให้เราอย่าไปทําให้เขาโกรธเกลียดเราก็แล้วกันแค่นั้นเองอาว่าหลวพ่อครับการฝึกสมาธิโดย วิธีแบบที่ดดเดินยกย่างเหยียบเป็นจังหวะจังหวะเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกสติอ๋อนั่นคือฝึกสติตแต่ความจริงไม่ต้องถึงขั้นละเอียดแบบนั้นอ่ะคือเดินไปธรรมดาให้รู้ว่าเรากําลังเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็พอเป้าหมายก็เพื่อดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองไม่ใช่มาฝึกขัดเดินคนมาดูแล้มึงงงอันนี้กําลังขัดเดินอะไรกำลังเดินตามปกติ แต่แต่ว่าให้จิตเราอยู่กับการเดินไม่ให้ไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องการหยุดความคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ดึงจิตมาอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องเดียว <c oughs> เพราะการอยู่เรื่องเดียวนี้จะทําให้จิตปันรวมไง <c oughs> เอาเวลานั่งก็แทนที่จะดูเท้าก็ดูลมแทน <c oughs> ดูลมไปจนกว่ามันจะรวมเข้าสู่ความสงบ แล้วการใช้คําบริการพูดโธก็ได้แทนกันได้ครับแล้วบางทีพูดโทหายไปก็ไปดูลมต่อหรือเ่าหรือว่า <g ül> มควรจะเอาอยางได้อย่างหนึง <g ül> ่งอถ้าลมหายก็ก็อยู่กับการรู้ว่าลมหายไปอยู่กับไม่การไม่มีลมไปให้ดูเฉยเฉยไปรู้ว่าตอนนี้ลมหายแล้วก็รู้ไปเฉยเฉยเงี้ยให้มีสติรู้อยู่เฉยเฉยแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเองอย่าไปคิดไปปรุงอย่าไปคิดว่าไอ้ลมหายไปไหน เราไม่มีแล้วตายหรือเปล่าพอคิดนี้เดี๋ยวเกิดความกลัวขึ้นมากลัวแล้วก็จะกรุงแต่งหาหลมกว้านหาลมบางทีนุกขึ้นมาเลยกลัวเดี๋ยวจะตายไม่นั่งแล้วความจริงลมามานละเอียดเพียงแต่ว่าเราอาจจะจับไม่ได้มันไม่ตายหร อ, อกกายรู้ว่ามัละเอียดจะทั่งมองไม่เห็นก็แล้วกันก็อยู่กับความไม่ความว่างไปคอยดูว่ามันคิดหรือเปล่านั่นเอง ความว่างตรงนี้คืออุเบกขาเนี่ยคือความความว่างจากภราศจากลมเลยความไม่มีลมก็คือความว่างแต่มเวลาเราดูลมมันยังมีลมมันก็ไม่ว่างครับพอไม่มีลมแล้วมันก็ว่างก็อยู่กับความว่างไปแล้วดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็ต้องหยุดมันครับถ้าหยุดด้วยลมไม่ได้ก็ใช้พุโทโธหยุดมันก็ได้ แต่ถ้ามันถึงจุดแล้วแล้วมันมันถ้าลมมันลมมันละเอียดจะมองไม่เห็นนี่มันกล้จะรวมแล้วล่ะถ้าดูไปเฉยๆแป๊เดียวเดี๋ยวมันก็ลมเองอย่าไปคิดอย่าไปปรุงแต่งว่าเอลมไม่มีเราจะทําไงต่อไปให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมไม่มีลมมีก็รู้ว่ามีลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาว ลมอยา ก, กรู้ว่าหยาลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เท่านั้นเองแล้วก็ไม่คิดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆไม่ให้ปรุงแตง่งเรื่องลมก็ไม่ให้ปรุงแตง่งให้รู้เฉยๆตัวรู้นี่คือสติหรือไม่ <c oughs> ที่ว่ารู้รู้ลมสั้นลมาไม่ใช่สติตัวสติเป็นตัวหนึ่งตัวรู้ให้มารู้ลมถ้าไม่มีสติตัวรู้มันจะไปคิด มันจะไ ป, ไปมันจะไปอยู่กับความคิดแทนแต่ถ้ามีสติมันจะดึงมาให้ให้รู้เฉยเฉยไม่ให้คิดถ้าคิดแล้วมันจะไม่สงบคิดแล้จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิความอยากก็จะต้องไปทาตามความอยากมันก็จะไปติดวัตจาของการทำตามความอยากอยากแล้วก็ทำทำแล้วแล้วก็อยากใหม่ ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆคนที่ทําสมาธิไม่ได้ก็จะต้องติดอยู่กับความอยากอยากเรื่องนีแงนน้แล้วก็อยากเรื่องนั้นต่ออยากเรื่องนั้นแล้วก็อยากเรื่องนู้นต่อวนไปเวียนมาอยู่นั้นแต่ถ้าทําสมาธิได้ก็จะหยุดวัฏจะของการทําตามความอยากอนยะ้าชั่วคราวพออยากสมาธิมาถ้าอยากจะหยุดความอยากต่อก็ต้องใช้ปัญญา เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องดูว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความอยากแล้วทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากมันก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะมันไม่เที่ยงแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้หยุดทําตามความอยากได้พอไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกําลังไปไปแล้วต่อไปก็อยู่แบบไม่มีความอยากอยู่แบบสบายสบายแต่ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ทําด้วยความอยาก ทำด้วยเหตุด้วยผลถึงเวลากินก็กินยังไม่ถึงเวลากินก็ไม่กินต้องปฏิบัตินะปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆเองตอนนี้พูดมากเท่าไหร่มันก็พูดแล้วเดี๋ยวก็ลืมีล้วเดี๋ยว ก, กลับมาถามใหม่ ที่จะดับความอยากในเรื่องของอารมณ์ต้นเหตุได้แล้วเรากวรจะต้องมีการพิจารณาต่ อ, อไปเพื่อไม่ให้ลืมใช่ไหมก็เป้าหมายก็คือเพื่อให้เราหยุดความอยากในทางกามอารมณ์ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องพิจารณาเหมือนกับ ก, กินยา ก, กินเพื่อให้หายจากโรคใช่ไหมพอโรคหายแล้วกินหรือไม่กินมันก็ไม่มีผลแตกต่างกันก็หยุดยาได้ นอกจากว่าโรคมันโผล่กลับขึ้นมาใหม่ก็ต้องกินใหม่ที่เราไม่รู้ว่ามันตายจริงหรือเปล่ามันาจจะตายรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ามันอจจะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ได้งั้นก็ต้องระมัดวังคอยเตรียมยาวไว้คอยพิจณาไปเรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆเผื่อเวลามันโผล่ขึ้นมาแบบเราเผลอหรือว่าไม่คิดว่ามันจะโผล่ขึ้นมามันจะได้มี ย่ามารักษาทัานท่วงทีก็อซ้อมกับเคสเดิมไปก่อนใช่ไหมคะก็นั่นแหละก็ดูวสุภาไปเรื่อยๆดูร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามจน ก, กระทั่งมันเป็นเหมือนกับเป็นริษ ส, สัยไปก็ได้มองเห็นใครนี้เห็นทั้งสวยเห็นทั้งไม่สวยพร้อๆมๆกันไปเลยเหมือนกับเห็นเหรียญทีเห็นสองด้านเลยเห็นมันเห็นธนาบัตรก็เห็นสองด้านเลยแล้เวลาที่เราเป็นห่วงใครเช่น คนที่เคยไปทาบุญด้วยกันหรือว่าไปภานาด้วยกันแต่ว่าเขาเขาเหมือนเรียนติดหรือว่ายัางอยากจะให้เราพาไปทาบุญที่นู่นี่แต่ว่าใจเราคือราอยากจะมาวิเว่ยคนเดียวมากกว่านี่ค่ะเราจะหยุดความเป็นห่วงได้ไงคะก็ต้องดูผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการไปทําให้เขากับการมาวิเว่ยกันไหนมันจะได้ผลมากประโยชน์มากกว่ากันถ้าไปทําให้เขาได้สิ บ, บาท มาทำให้เราได้ร้อยบาทนี่เราจะไปทางไหนดีก็<ม>ต้องช่างช่างดูถึงผลที่จะเกิดขึ้น<ม>แล้วอีกอย่างก็ต้องใช้ปัญญาว่าการพาไปนี้ก็เป็นพาเพื่อให้เขารู้จั ก, จากทาง<ม>เพื่อให้เขาได้ไปเองเมื่อเขารู้จักทางแล้วทำไมเราต้องพาไปอยู่เรื่อย<ม>ๆเขาไม่ใช่เป็นคนพิการนี่นะ<ม>ถ้าเขาเป็นคนพิการก็ว่าไปอย่าง แต่ถ้าเขาพึ่งตัวเองได้ก็ควรจะให้เขาพึ่งตัวเองอย่างโบราณเขามีพูดไว้ว่าอย่าไปให้ปลาเขาให้สอนให้เขาหาปลาถ้าเขาหาปลาเป็นแล้วต่อไปเขาไม่ต้องมาขอปลาจากเราถ้าเราไม่สอนให้เขาหาปลาเองเขาพอปลาหมดเขาก็จะมาขอปลาใหม่จากเราพระบูตจาระสอนให้พวกเราหาความสุขกันเอง พระพุทธเจ้าไม่พาพวกเราไปหาความสุขกันเพียงแต่บอกทางบอกวิธีแล้วให้พวกเราไปปฏิบัติกันไปกระทำกันพอเราหาได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปขอพระพุทธเจ้าแนละ้วเป็นที่พึ่งของตนเองได้แนะเหมือนเราเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเพื่ออะไรเพื่อให้เขาหากินเองได้ใช่ไหมไม่ใช่เขาเกาะเรากินไปจนมันตายถ้าเกิดเรตายไปแล้วเ้าจะไปขอใครกินต่อ ถ้าเขาหาเงินไม่เป็นต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติทิ้งไว้เขาท่าไหร่ก็จะไม่พอเขาก็ต้องใช้จนหมดเพราะเขาหาไม่เป็นแต่ถ้าเขาเราสอนให้เขารู้จักหาเงินหาทองเองได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องหาให้เขาไม่ต้องเก็บให้เขาเขาหาได้แล้วเขาก็หาของเขาได้ไปเรื่อยๆอัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอาจารย์ครับ าาารรรรรระะะดดััับบบแล้้ววเเจูู่่อยหคก็ปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองปฏิบัติไปแล้วก็อ่านตําราดูว่าฌานที่หนึ่งมีคุณสมบัติยังไงฌานที่สองมีคุณสมบัติยังไงเราปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองแต่เวลาปฏิบัติอย่าให้ไปถามตัวเองตอนนี้อยู่ฌานขั้นไหนแล้วเวลาปฏิบัติให้อยู่กับการเพ่งให้มีสติอยู่อย่างเดียว เกลื่อนหมายถึงะอะไรนะจ็ดมันก็เกลื่อนเหมือนเวลาสงบเหมือนกันน้ำเลย เ, เวลาน้ํานิ่งมันมันมันเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมเวลาปลามันผุดขึ้นมาน้ําก็ต้องกระเพื่อมใช่ไหมเจ็ดก็เหมือนกันเวลาจิตสงบมันก็นื่งเหมือนน้ำนิ่งพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เหมือนปลาบันผุดขึ้นมา ม, มันก็จะทําลายความนิ่งของใจมันกระเพื่อม พออยากอะไรปั๊บพอโลภปั๊บโกรธปั๊บมันจะก็เพิ่มขึ้นมาทันทีช่วงที่นั่งสมาธิค่ะช่วงไหนก็ได้นั่งหรือไม่นั่งส่วนใหญ่มันจะไม่เห็นตอนที่ถ้าไม่นั่งสมาธิมันจะไม่เห็นเนี่ยถ้าช่วงที่มันไม่สงบมันก็มันก็กระเพื่มอยู่ตลอดเวลามันก็เลยไม่รู้ว่ามันกระเพื่มไม่กระเพื่มเป็นยังไงแต่พอมานั่งให้ใจสงบปั๊บนี่มันมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาใจกระเพื่มกับไม่กระเพื่ม อข้าใจไหมคนที่ไม่มีความสงบนี้คูดเรื่องกับเพื่อนไม่กับเพื่อนี้พูดไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็บเพื่อมันคล้ายเหมือนตัวสั่นเลยอ่าเนี่ยแหละถ้ามันกับเพื่อแรงมันก็จะไปกระทบถึงร่างกายเลยใจสั่นหัวใจสั่นไปด้วยถ้ามีถ้ามันเพื่อนก็ใช้วิธีหยุดมันกับเพื่อในพุทโธไปเลยกับเพื่อนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็อยู่ได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่เป็นมันไม่ใช้ได้สองวิธี ถ้าใช้ปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่แต่ถ้าใช้ uh huh. ตาขึ้นน่ะตานดับใหม่แล้วหายหายเลยก็แล้วแต่มันก็เพื่อมเพราะอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่หายก็ได้ถ้าไม่หายก็ต้องใช้พุทโธถ้ามันกระเพื่อมเอยากจะเห็นพอลืมตามันก็หายก็เพื่อม แต่ถ้ามันเป็นกระเพื่อมเพราะอย่างอื่นนี่มันอาจจะลืมตาก็ไม่หายกันดนะกระเพื่มเพราะให้เงินหายหรือเปล่านี่ <Okay. S 1> ลืมตาก็ไม่หายเอาแล้วนะโยมวันนี้ก็หมดเวลาสองชั่วโมงแต่วันนี้ไม่ถึงเพราะติดธุระอันนี้ก่ายจะขึ้นมาก็สองโมงคึ้นกว่าแนละ้วแล้วก็ขอให้นําสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ไปพิณิพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ